ทำงานหักรุงเช้ายันคำไม่ห่วงผิวเนื้อกร้านดำแดดร้อนฝนพรำแม่จนพันผุกแม่ทำเพื่อใครหากไม่ใช่แม่ทำเพื่อลูกแม่จาหนูมีความสุขสนุกสดใส ลำบากทุกยากสู้ทนเมื่อแม่เปรียบดังหน้ามนปรมลูกให้พลสกาดดลลูกมีวันนี้เพราะแม่มีเมตตาการุณสำนึกรักในพระคุณประทับดวงใจตราบเท่าชีว ทุกยากสู้ทนเมื่อแม่เรียบดังหน้ามนปรมลูกให้พลนโศก า, าดูลลูกมีวันนี้เพราะแม่มีเมตตาการุณสำนึกรักในพระพุนประทับดวงใจกราบเท่า